สัมมาสติทางสายเอกสู่ความพ้นทุกข์หลักปฏิบัติธรรมสำคัญของพุทธศาสนาคือสติที่ต้องมีร่วมด้วยกับมรรคทุกข้อแม้สมาธิที่ฝึกกันจุดสำคัญก็คือสติจึงมีคำต่อท้ายเช่นอาณาปานาสติเป็นการมีสติรู้ลมหายใจจะสงบหรือไม่สงบก็ให้รู้ตามจริงไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบดังนั้น การเข้าใจเรื่องสติจึงสำคัญมากเป็นอริยามรรคข้อสำคัญที่ต้องเข้าใจทางด้านทฤษฎีให้ตรงก่อนด้วยอริยามรรคหมวดที่สหมวดสมาธิประกอบด้วยมรรคข้อที่6สัมมาวายามะข้อที่7สัมมาสติและข้อที่8สัมมาสมาธิสาหรับบทนี้แบ่งเป็นสองตอนนะครับตอนที่หนึ่งนี้จะเป็นเรื่องของสัมมาวายามะและสัมมาสติ ซึ่งสัมมาวายามะคือความเพียรชอบนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญสติที่ต้องมีควบคู่กันไปส่วนสัมมาส ม, มาธิซึ่งเป็นอริยามรรคข้อสุดท้ายนั้นจะแยกไว้เป็นอีกตอนเพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดและมีความยาวมากเพื่อให้ได้ศึกษาไปทีละลำดับและเลือกฟังภายหลังได้สะดวกขึ้นนะครับอ่านโดยอริยคุณจุมรพดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรครอบครัวสีโพคา สรินยาอริยชาติพดุงกิตร่วมกับวิชยาดามุ่งวิชาวิ ร, รัสส่งผลยานินเวงเกตรสกกรุ่นเพิ่มทวีรัตรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุมโมทนาสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ